ความสมบูรณ์แบบแต่ท่านทั้งหลายสิ่งที่ข้าพเจ้าบรรยายมาทั้งหมดนั้นเป็นประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้ประสบมาด้วยตนเองโดยแท้จริงไม่ใช่ฟังมาจากผู้อื่นเลยและมันก็เป็นความจริงที่พวกเราทั้งหลายในโลกที่นับเป็นจํานวนล้านล้านได้ประสบพบเห็นอยู่ตลอดมาการที่ท่านกล่าวว่าความสมบูรณ์ไม่บกพร่องหาไม่ได้ในโลกมนุษย์นั้น ก็เป็นความจริงของท่านเหมือนกันแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าความสมบูรณ์ไม่บกพร่องนั้นจะไม่มีอยู่และจะหาไม่ได้ในที่อื่นๆเลยบางท่านอาจจะกล่าวอีกว่าคำว่าสมบูรณ์ไม่บกพร่องนั้นเป็นคำที่มีความหมายเด็ดขาดในตัวคือว่าไม่มีคาขยายความหรือบัญญาลักษณะย่อยอีกต่อไปดังนั้นตามมติของท่านเมื่อสิ่งนี้ไม่สมบูรณ์ ก็ต้องหมายความว่าไม่สมบูรณ์ทีเดียวจะมีความสมบูรณ์เจือปนอยู่ไม่ได้เลยและเมื่อสิ่งนั้นสมบูรณ์ก็ต้องสมบูรณ์จริงๆอย่างเด็ดขาดทุกแง่ทุกมุมจะมีความไม่สมบูรณ์หรือบกพร่องเจือปนอยู่ไม่ได้เลยไม่ว่าในกรณีหรือแง่ใดๆคือว่าการที่จะกล่าวว่าสิ่งนี้สมบูรณ์กว่าสิ่งนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาด ในเรื่องนี้ข้าพเจ้าขอตอบว่าความหมายเด็ดขาดเช่นนั้นอาจจะเป็นได้จริงในเมื่อนึกถึงความหมายตามตัวอักษร อ, อย่างเร่งครัดที่สุดชนิดที่ไม่ต้องมองหน้าใครกันเลยแต่ในทางปฏิบัติแล้วส่วนใหญ่เลือเกินเรื่องความสมบูรณ์ไม่บกพร่องหรือเพอร์เฟกชันนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเีมากกว่าดังนั้นเราอาจจะคิดว่า สิ่งนี้สมบูรณ์ไม่บกพร่องได้ตราบใดที่เรายังไม่เห็นหรือนึกไม่ถึงว่าจะมีอะไรวิเศษไปกว่านี้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มีสิทธิที่จะกล่าวได้ว่าสิ่งนี้สมบูรณ์ไม่บกพร่องแล้วโดยไม่ได้ทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดเดือดร้อนเลยโดยในย้านนี้ภูมิที่พวกเราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้จึงเป็นภูมิที่เราทั้งหลายถือว่าสมบูรณ์แล้วจริงๆ เราไม่เคยมีใครต้องการความสมบูรณ์อย่างใดยิ่งขึ้นไปกว่านี้เรารักทุกตารางนิ้วของโลกของเราเรารักทุกขณะแห่งความเป็นอยู่ของเราและก็ไม่คิดว่าจะต้องการความสุขชนิดใดในภูมินี้ยิ่งขึ้นไปกว่าที่เรามีอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แต่เราก็รู้อีกด้วยเหมือนกันว่าเมื่อใดเราขยับชั้นแห่งจิตของเราให้เหนือขึ้นไปกว่าภูมินี้แล้ว เราก็จะได้รับความสมบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปกว่านี้อีกเป็นลำดับเราได้รับความรู้ดังกล่าวนี้จากท่านผู้ที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปผู้ที่ได้ลงมาเยี่ยมเยียนเราเป็นครั้งคราวและได้บอกให้เราทราบถึงความสมบูรณ์ชั้นสูงขึ้นไปกว่านี้อีกท่านเหล่านั้นในบางแง่ก็เป็นเช่นเดียวกับพวกเราคือท่านก็มีความเห็นว่าภูมิของท่านที่สูงขึ้นไปกว่านั้นมีความสมบูรณ์แล้วเหมือนกัน ทั้งงที่ท่านเองก็รู้อีกว่ายังมีภูมิที่สูงขึ้นไปกว่าภูมิที่อยู่ในปัจจุบันและซึ่งยอมจะเป็นภูมิที่มีความสมบูรณ์สูงยิ่งขึ้นไปอีกถ้าท่านสามารถเลื่อนความประนีตของจิตให้สูงขึ้นไปอีกเป็นลำดับดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสมบูรณ์หรือ perfection ที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงนี้เป็นเรื่องของลาดับขั้นเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบและเป็นเรื่องของประสบการณ์ เราเรายังไม่สามารถทราบได้ในขณะนี้ว่าความสมบูรณ์นั้นจะขยายขอบเขตเลื่อนขั้นไปได้สักเพียงใดจึงจะถึงจุดจบหรืออันติมะโดยเด็ดขาดในบางครั้งเมื่อเราสามารถผ่านขึ้นไปถึงภูมิที่สูงกว่าเราได้เป็นครั้งคราวเราก็ได้เห็นว่าความสมบูรณ์ของภูมิสูงนั้นเหนือกว่าของเราในทุกกรณีเช่นสีสันวันณะของดอกไม้ ก้องดงามและประณีตกว่าเสียงดนตรีก็ไพเราะ ก, กว่าทัศนียภาพของภูมิประเทศเช่นป่าเขาลำเนาไพรก็มโหฬารมากกว่าและบุคคลที่อยู่ในภูมินั้นๆก็มีความละเอียดประณีตแห่งจิตใจมากกว่าเราแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรากลับลงมาภูมิเดิมของเราเราก็ไม่ได้เคยเกิดความรู้สึกไม่พอใจในสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันของเราแต่อย่างใดดังนั้น ข้าพเจ้าใกล้ขอสรุปว่าขอท่านผู้อ่านที่เป็นมนุษย์ทั้งหลายโปรดอย่าได้คิดเลยว่าสิ่งที่ได้บรรยายมาแล้วนั้นจะเป็นของดีเกินไปจนเป็นจริงไม่ได้เพราะอันที่จริงมันเป็นจริงน้อยไปเสอีกในเมื่อคิดถึงสภาวะของภูมิที่สูงกว่าที่ข้าพเจ้าได้บรรยายมาแล้วนี้การที่ท่านยังไม่เคยพบเคยเห็นหรือเคยนึกฝันถึงสิ่งใดๆนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า สิ่งนั้นๆจะต้องมีอยู่ไม่ได้เลยทั้งในด้านดีวิเศษและด้านเลวร้ายตามช้าสามานเพราะในโลกอันเป็นทิพนี้ก็มีสถานที่หรือสภาวะอีกมากมายที่เลวร้ายกว่าในโลกมนุษย์หลายร้อยหลายพันเท่าและที่ดีวิเศษกว่าในโลกมนุษย์อีกอย่างนึกไม่ถึงก็มีเช่นเดียวกันข้อที่น่าเสียดายก็คือบุคคลประเภทที่ไม่ยอมรับทราบความจริงเหล่านี้เสบ้างเลย และเมื่อบุคคลเหล่านั้นผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์แล้วก็แน่เหลือเกินที่เขาจะต้องเข้าถึงภูมิอันเหมาะสมกับกรรมของเขาหรือทิฐิของเขานั่นเองแต่เท่าที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นมาพวกนี้โดยมากไม่ช้าก็รู้สึกผิดและกลับใจได้ในภายหลังเพราะอันที่จริงถ้าจะถามเขาวา่าเขาไม่ต้องการความสุขที่ข้าพเจ้าและเราทั้งหลายอื่นกาลังได้รับอยู่แล้วนี้ เขาควรจะต้องการอะไรอื่นอีกเขาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเขามีความคิดเห็นอยู่อย่างหยาบๆว่าขึ้นชื่อว่าโลกทิพย์แล้วก็ไม่ควรจะมีอะไรเหมือนกับโลกมนุษย์เช่นมีป่าเขาแม่น้าทะเลหรือบ้านเรือนตึกรามเป็นต้นเพราะดูคล้ายกับจะเป็นการลอกแบบไปจากโลกมนุษย์ซึ่งไม่สมศักดิ์ศรีของความเป็นโลกทิพย์เสเลยเรื่องนี้ข้าพเจ้าต้องขอกล่าวแก้อีกว่า ความจริงแล้วสภาวะของโลกมนุษย์ต่างหากที่ลอกแบบไปจากโลกทิพย์แบบอย่างของการก่อสร้างนานาประการได้รับอิทธิพลจากการดดนใจส่งไปจากโลกทิพย์มากมายหลายแบบและบางแบบก็ไม่มีอยู่ในโลกมนุษย์เลยนอกจากในโลกทิพย์นี้เท่านั้นและข้อที่สาคัญก็คือโลกทิพย์ได้มีอยู่มาก่อนที่โลกมนุษย์จะปรากฏขึ้นนานแสนนานเหลือเกิน